พุทธวงศ์เนี่ยนะต่อจากครั้งที่แล้วก็ได้เอาข้อความในพระวินัยมากล่าวประกอบตอนนี้พระพุทธเจ้ายังประทับอยู่ที่เมืองพาราณสีอยู่พรรษาแรกอยู่เลยตอนวันอาสาฬหะวันเพ็ญเดือน8ถือว่าเป็นวันก่อนเข้าพรรษาห น, นึ่งวันเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคก็แสดงธรรมจักกับปวัตนนสูตรวันนั้นก็มีพรมบรรลุ18โกธและก็มีพระัญญาโกณทัญญะ บรรลุเป็นพระโสดาบันในค่ํานั้นก็มีอุบาสิกาคนหนึ่งเนี่ยนะที่ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยเพราะฟังคําสนทนาของยักษ์วันรุ่งขึ้นพระวัปปะก็บรรลุเนี่ยนะวันที่สองก็พัทธิยะวันที่สมหานามะวันที่สี่ก็พระอัชชิพอถึงวันที่5พระองค์ก็แสดงอนัตตาลักษณะสูตรท่านเหล่านั้นก็บรรลุเป็นพระอาหารทั้งหมดก็มีพระอาหารเกิดขึ้นในโลกหรูป องคนะที่เป็นมนุษย์หลังจากนั้นวันที่เจเนี่ยนะวันที่เจนับแต่วันแสดงธรรมจากกัปวัตตนสูตรพระนารกะก็มาถามนาลากะปฏิปทาพระองค์ก็แสดงนาร ก, กับนารกัปฏิปทาปฏิปทาของผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระมุนีทีนี้ภายในพรรษานั้นเนี่ย น, นะภายในพรรษาแรกก็โดยสมัยนั่นแลในพระนครพารณสี มีกุลบดเชื่อว่ายสะเนี่ยนะยสะแปลว่าผู้มียศผู้มียศมากคือมีบริวารเยอะรวยมากนั่นแหละยสะเนี่ยแปลว่ามียศหรือยโสเนี่ยนะยโสเนี่ยแปลว่าผู้มียศคำว่ายศเนี่ยรวมถึงบริวารก็คือผู้มีอำนาจนั่นเองเป็นบุตรของเศรษฐีสุขุมารชาติอย่างยิ่ง น, น, นะเป็นคนที่ชาติกําเนิดที่ละเอียดอ่อนยาสะกุลบุตรนั้นมีปราศาสตร์สามหลังหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาว อีกหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนอีกหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนยศะคะุระบทนั้นรับบำเรอด้วยพวกด้วยพวกดนตรีหรือโดยเฉพาะด้วยพวกสตรีที่ไม่มีบุรุษเจือปนอยู่ในปราสาทฤดูฝนตลอดสเดือนโดยไม่ลงมาณพื้นเบื้องล่างกำลังนึกงินเอ๊ะถ้าไม่ลงบ้านเลยจะเป็นยังไงนะก็แต่ว่าท่านก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องลงบ้านนะนะในค่วันหนึ่ง คำวันหนึ่งในฤดูฝนเมื่อย ะ, ะกุลบุรอิ่มเอิบพรั่งพร้อมบำรุงบำเรยอยู่ด้วยกา ม, มคุณ5้าก็ได้นอนหลับก่อนเพื่อนก็มีความสนุกสนานไปก็อยากหลับก็หลับนะก็ถึงเวลาก็เลยหลับไปเลยส่วนพวกบริวารชนเนี่ยนะก็นอนหลับภายในหลังนั้นนะ่ะพวกประทีปน้ํามันก็ตามอยู่สว่างทั้งคืนแล้วแบจุดประทีปสว่างสวัยตลอดทั้งคืนเนี่ยนะ คืนนั้นยศยกุลบุตรตื่นขึ้นก่อนได้เห็นพวกบริวารชนของตนกําลังนอนหลับพวกนางบางพวกก็มีพินเนี่ยตกอยู่ที่รักแร้บางพวกก็มีตะโพนเนี่ยวางอยู่ที่คอบางพวกก็มีเปิงมางเนี่ยตกอยู่ที่อกบางพวกเอ่อบางนางก็นอนสยายผมบางนางก็น้าลายไหลบางนางก็บ่นละเมอไปต่างๆปรากฏแก่พยศยกุลบทดุดป่าช้าผีดิบเนี่ยนะก็คือคนหลับกับคนตายบางทีถ้าหากว่าดู อีกแง่ด้านอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เนี่ยนะก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางป่าช้าผีดิบด้วยอุปนิสัยบุญที่เคยสั่งสมมาอดีตเขาเป็นสับปะเลอไม่รับจ้างเนี่ยนะสับปะเลอไม่รับจ้างก็คือหมายก็ว่าช่วยชำระบ้านเมืองให้สะอาดเที่ยวเก็บซากเก็บศพตามที่ต่างๆเอาไปเผาเนี่ยนะก็เหมือนกับพวกทํางานพวกมูลนิธิพวกอะไรที่ไปเก็บศพในที่ต่างๆแล้วเอาไปเผาเอาไปฟังตามเรื่องตามราวไปนี่มีอยู่วันหนึ่ง ในอดีตชาติเนี่ยนะพญาสะนั้นก็เลยไป เ, เก็บศพของหญิงมีคันคนหนึ่งเอาไปเผาระหว่างที่ช่วยกันเอาฟืนมากรองเนี่ยนะมากองแล้วเอายกศพขึ้นเตรียมเผาเพื่อนๆทั้งห้บ้าคนก็ขอตัวกลับก่อนยศะก็คอยดูแลว่าให้เผาให้มันเกลี้ยงไปไอ้ระหว่างที่ไฟลุกไหม้ท่วมเนี่ยนะเผาศพหญิงที่มีคันเนี่ย ไฟที่มันไหม้ลุกเนี่ยนะผิวหนังมันก็จะถูกด้วยไฟลูกไปมันก็จะกระดำกระดังเหมือนกับโคด่างท่านก็เลยได้อสุภาษสรราัญญาพออสุภาษสัญญาตัวนั้นเนี่ยด้วยกุศลจิตเนี่ยนะจิตสงบที่เห็นความเป็นอสุภาษนะด้วยกุศลจิตเรียกว่าเจริญอสุภาษกรรมฐานโดยโดยอัธยาศัยว่างั้นเพรไงมันก็ท่านก็เจริญกรรมฐานแล้วก็เรียกว่าได้อสุภาษสรราัญญาเนี่ยนะนะอสุภาษสัญญาที่ยังจิตให้สงบมากมีความสุขกับการพิจรนะนะารณาอสุภาษ อันนี้ด้วยบุญของท่านอุปนิสัยอันนั้นทำให้เห็นว่าบ้านที่อยู่ไม่ต่างอะไรจากป่าชา้าผีดิบก็ได้เห็นความเป็นโทษโทษทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นแก่ยศกุลบุตรจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในความเบื่อหน่ายเนี่ยนะก็คือเบื่อหน่ายเห็นโทษภัยของรูปเห็นภัยของวัตตะเลยแหละจึงเปล่งอุทานว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอเนี่ยนะก็คือเห็นเป็นภาระไปหมดเห็นความยุ่งเหยิงเห็นความวุ่นวาย ที่นี่มันวุ่นวายเนาะที่นี่มันขัดข้องจริงเนาะเนี่ยนะก็คือรูปเนี่ยปกติรูปมันก็เป็นสิ่งที่ขัดข้องอยู่แล้วรูปก็เป็นสิ่งที่วุ่นวายรูปก็เป็นสิ่งที่ขัดข้องมันด้วยอัธยาศัยในวิวะตะของท่านก็เป่งวาจาว่าวุ่นวายเนาะวุ่นวายเนาะสวมรองเท้าทองเนี่ยนะเดินไปยังประตูนิเวศพวกอมนุษย์ก็เปิดประตูให้ด้วยหวังว่า ใครครอย่าได้ทําอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยะศกุลบุตรเลยแปลว่าเทวดานี่รู้เห็นเป็นใจช่วยกันไปเปิดประตูให้หมดเลยนะคล้ายระบบสมัยนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจก็ระบบพรีโมดนั่นแหละก็ประตูก็เหมือนกับเปิดเองให้เองก็ป้ายเนี่ยนะครั้งนั้นยะกุลบุตรก็เดินตรงไปยังประตูนครพวกอมนุษย์ก็เปิดประตูให้ด้วยหวังใจไว้ว่าใครๆอย่าได้ทําอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยะกุลบุตร ทีนั้นย ะ, ะกุลบุตรก็ได้เดินตรงไปทางป่าอิสิป ต, ตนะมรุกทายวันเนี่ยนะก็แสดงว่าผู้มีบุญเนี่ยนะผู้มีบุญเนะี่ยอยู่ท่ามกลางวังก็อสุภาสัญญาก็ปรากฏขึ้นอาธีนวานุปัสนาหรืออาธีนวสัญญาก็เกิดขึ้นสัพพะโลเกอณพีรตะสัญญาก็แก่กล้าเนี่ยนะบุญกุศลคุณงามความดีที่สั่งสมมาก็ตักเตือนนะตักเตือนนั้น มนุษย์ทั้งหลายก็รู้เห็นเป็นใจช่วยเปิดประตูให้บุญก็ตักเตือนให้เดินมุ่งตรงไปสู่ป่าอิสิ ป, ปตนมฤุกขายวันซึ่งสถานที่เหล่านั้นเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์แสดงธรรมจักเป็นสถานที่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านอยู่อาศัยภาคอาศัยไม่ว่าจะเป็นพระปเจ ก, กับพพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระพุทธาสาวกทั้งหลายก็อยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤกทายวันอันโดยมากผู้ที่มีบุญมีอัธยาศัยมีอุปนิสยัยก็จะน้อมไปสู่ป่าอิสิปตนมฤกทายวันก็ถือว่าเป็นแหล่งของผ้าเรียเจ้าครั้นปัจจุสมัยแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตื่นบรรทมแล้วก็เสด็จจงกรมอยู่ณที่แจ้งก็คือปกติแล้วพุทธกิจของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นช่วง ตีสองถึงช่วงก่อนสว่างเนี่ยจะแบ่งออกเป็นช่วงหนึ่งไปเดินจงกรมช่วงหนึ่งพักช่วงหนึ่งออกจากพักเสร็จเนี่ยนะแล้วก็เข้าพระสมมาบัติเขาออกจากพระสมมาบัติก็เจริญมหากรุณาสมมาัติยานนะแผ่กรุณาไปในห ม, มูสัตว์อันหาประมาณไม่ได้หลังจากนั้นพระองค์ก็ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุด้วยอินเดียโปรปริยติยานและอาสยานุสยะยานก็เห็นว่าจะได้เป็นสมัยที่จะโปรด ยศ ก, กุลบุตรพระองค์ก็ลงไปเสด็จเดินจงกรมอยู่ณนะที่กลางแจ้งก็ทอดพระเนตรเห็นยศ ก, กุลบุตรเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จลงจากที่จงกรมไปประทับนั่งอยู่บนอาสนะที่ปูลาดเอาไว้อาสนะตรงนั้นเนี่ยถ้าตามความเชื่อกันก็เชื่อว่าเป็นที่ที่ใครที่ไปพารณสีเนี่ ย, เ, ยเวลาเดินเข้าไปเนี่ยถ้าเดินไปตรงมันจะมีไอเจดีย์กลมๆตรงนั้นเนี่ยที่เรียกว่า ทำมราชิกะสถูปสถูปที่พระ อ, องค์แสดงอนัตตลักษณสูตรข้างหลังนั้นไปจะเป็นเสาพระเจ้าโศกแล้วก็ข้างขวามือจะเป็นพระคันทกุตีเนี่ยนะเป็นพระคันทกุตีที่สร้างเพื่อให้พระ อ, องค์จำภรษาภรษาแรกแล้วก็ถ้าไปทางขวามือเดินไปทางโน่นเดินไปทางทำเมฆคสถูปเนี่ยนะไอ้ระหว่างทางจะมีซุ้มอยู่ซุ้มหนึ่งไอ้ซุ้มตรงนั้นเนี่ยอยู่ขวามือตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า เชื่อกันว่าตรงนั้นเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าโปรดยักษ์กุลบุตรเนี่ยนะสถานที่ตรงนั้นขณะนั้นยักษ์กุลบุตรก็เปล่งอุทานในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาเนี่ยนะทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับยักษ์กุลบุตรว่าดูก่อนยะสะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยะสะนั่งลงเราจะแสดงอริยสัจธรรมแก่เธอเนี่ยนะ บอกว่ามานี่ที่นี่สงบนะที่นี่ไม่วุ่นวายนี่นะก็คือคําว่าที่นี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเน้นแต่สถานที่โดยธรรมดาแต่ว่าที่นี่มีธรรมที่สงบที่นี่มีธรรมที่ไม่วุ่นวายเนี่ยเพราะฉะนั้นมาเถอะมาที่นี่ทีนั้นยศกุลบุตรก็ร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง แหมพรฟังคํานี้มันชื่นใจจริงๆมีความสุขมากเลยนะร่าเริงปีติโส ม, มนะว่าเออมีด้วยนะที่ที่มันไม่วุ่นวายมีด้วยนะที่ที่มันไม่ขัดข้องใครที่เคยอึดอัดเคยเครียดเคยอุยวุ่นวายทางความคิดเนี่ยนะแหมก็หาอยากหาที่ไอ้แบบนั้นอย่างที่ว่าเนี่ยนะก็ไปเจอสถานที่แบบนี้เข้าก็มีความสุขเสร็จแล้วท่านก็ถอดรองเท้าทองเอาไว้แล้วเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เมื่อยะศากุรโบตรนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงอนุปพิกถาแสดงธรรมโดยลาดับลาดับก็คือแสดงทานแสดงทานแสดงการให้จบจากทานนะพระองค์ก็แสดงเรื่องศีลทานก็เป็นวัตถุทานนะแสดงเรื่องทานเรียกว่าอ ม, มิสทานหรือวัตถุทานเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงศีลซึ่งเป็นอภัยทาน พันผู้ที่สมบูรณ์ด้วยทานศีลสวรรค์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากโครงก็แสดงเรื่องสวรรค์ต่างๆที่บุคคลพึงได้โดยอ น, นิสงค์แห่งทานและศีลถึงจะอยู่ในสวรรค์ไงนะสวรรค์ก็เป็นโลกแห่งรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภาพทั้งหลายพันรูปเนี่ยมันไม่เที่ยงรูปเนี่ยนะต่ำซาม น, นะรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภาพเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทุกโทษสารพัดชนิดเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ามองเป็นที่ตั้งแห่งความ คุนมัวเป็นที่ตั้งแห่งความวุ่นวายและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรแล้วพระองค์ก็แสดงถึงอั น, นิสงส์การออกจากกามว่าถ้าออกตัดชันนราคะตัดอะไรอาวรในกามทั้งหลายดีอย่างไรเนี่ยนะถ้าออกจากสิ่งเหล่านี้ด้วยสมถาวิปัสสนานั้นดีอย่างไรพระองค์เมื่อทราบวิยะกุลบุตรมีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรมีจิตเบิกบานมีใจผ่องใส คำว่ามีใจสงบก็คือการมฉันทะไม่กลุ่มรุมจิตอ่อนก็พยาบาทไม่กลุ่มรุมจิตสงบก็ทีณมิถะไม่กลุ่มรุมมีจิตเบิกบานอุทาจักกุกุจักก็ไม่กลุ่มรุมใจผองสายเพราะไม่ถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุมก็แปลว่าใจที่ไม่มีนิวรณ์เป็นใจที่หายป่วยหายไข้เหมือนกันเป็นใจที่หายป่วยหายไข้ทางความคิดเพราะว่ากิเลสเรียกว่าความเศร้ามองที่ทําให้ใจเศร้ามองนั้นไม่เศร้ามองแล้วก็มีใจสงบด้วยพระธรรมเทศนาเนี่ยนะ ถูกทำคำสอนของพระพุทธเจ้าฟอกสะใจอ่อนใจผ่องใสใจมีความสุขนี่ยนะพร้อมที่จะรู้อริยสัจเป็นใจที่พอที่จะรองรับสมถะวิปัสนาเป็นใจที่สามารถรองรับโลกุตระธรรมได้พระองค์เห็นว่าพื้นฐานจิตพอที่จะรองรับโลกุตระธรรมได้พระองค์ก็แสดงพระธรรมเทศนาคืออริยสัจที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง ก็แสดงทุกขาริยสัจสมุทัยอริยสัจทุกนิโรธอริยสัจแล้วก็ทุกขานิโรธค า, ามินีปฏิปทาอริยสัจโสดาปฏิมักเนี่ยนะโสดาปฏิมักรเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมคือดวงตาเห็นอริยสัจธรรมโสดาปฏิมักที่ปราศจากทุลีคือกิเลสปราศจากความเศร้าหมองด้วยอำนาจกิเลสก็รู้ว่ายังกินเจสมุทยธทำมังสับพันทังนิโรธารำมังยังกินเจ อนนยังกินเจก็คืออุปาทานขันเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เกิดขึ้นนะนะสมุทยะมีเหตุคือสมุไทยเป็นแดนเกิดอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาของอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าก็คือทุกมีเหตุเกิดขึ้นก็คือทุกขสมุไทยสิ่งนั้นทั้งมวลก็คือขันห้าเนี่ยดับไปเพราะสิ่งนั้นทั้งมวลก็ดับไปเพราะดับเหตุก็คือนิโรศจักนั่นเองยังกินเจสมุทยัยทำมังนะขันห้าสมุไทยสร้างขึ้น สัพพันธังนิโรตธธรรมมังเนี่ยนะสัพพันธังนิโรธาก็คือนิโรธ ถ, ถ้าหากว่ารู้ความดับของอุปาทานขันห้าขันเหล่านั้นก็ดับพันโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเห็นอริยสัจธรรมเห็นความเกิดขึ้นความดับไปแห่งอุปาทานขันห้าก็คือเห็นอริยสัจนั่นเองผู้นั่งลงณที่ตรงนั้นดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นท่าน การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องทานเรื่องศีลสวรรค์ทุกภยัยทุกโทษของกามการออกจากกามก็เหมือนกับกระบวนการซักผ้าซักให้สะอาดเมื่อผ้านั้นสะอาดเต็มที่แล้วควรแก่น้าย้อมรองก็ย้อมอนย้อมให้เป็นสีต่างๆได้เมื่อใจของเขาสะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่ไม่เศร้าหมองเป็นใจที่ผ่องใส พระองค์ก็ยอมอริยสัจลงไปเนี่ยนะยอมสัมมาทิฐิให้มีขึ้นยอมสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอริยมรรคก็สมบูรณ์ขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าได้รับพื้นฐานจิตที่คู่ควรแก่การรองรับโสดาปติมัคคนั้นโสดาปติมัคคของท่านก็เกิดขึ้นกําหนดรู้ทุกขละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเป็นทัศนมรรคเนี่ยนะเป็นมรรคที่เห็นอริยสัจ ก็พอฟังอย่างนั้นก็สว่างพอดีทีนี้รุ่งเช้ารุ่งเช้าสว่างมามารดาของยะศรรกุลระบุตรก็ขึ้นไปยังปราศาสตร์ไม่เห็นยสะศรรกุลบุตรก็เข้าไปหาเศรษฐีผู้ครึหาบดีก็ได้ถามว่าท่านครึหาบดีลูกยสะศรรกุลระบุตรของท่านหายไปไหนฝ่ายเศรษฐีครึหาบดีก็ส่งทูตขี่ม้าตามหาทั้งสี่ทิศส่วนตัวเองก็ไปหายัางป่าอิสิ ป, ปัตนะมฤุกทายวันก็ไปพบรองเท้าทองเขา เดินไปอ้าวนี่รองเท้าลูกเราเนี่ยวางอยู่ที่นั้นก็ไปสู่ที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตร เ, นเห็นเศรษฐีผู้คือหาบดีบิดาของยศ ก, กุลบุตรเดินมาพระองค์ก็ดมเรียกว่าชไนน์นอเราพึงบันดาลอิทธาพิสังขารให้เศรษฐีครอหาบดีนั่งอยู่ณที่นี้ไม่เห็นยศ ก, กุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้พองษ์รู้เลยว่าถ้าคืนมันมาปั๊บเห็นลูกเนี่ยไม่ต้องบรรลุ ก, กันแล้วเพราะว่า จิตใจมัวแต่ภาะวะผวาเรื่องลูกเพราะมัวคิดเรื่องทางบ้านเอ๊ะทางบ้านเขาจะเป็นยังไงไมะเพราะทุกคนเป็นห่วงย่าสาออกหมดเลยเพราะไม่เคยไม่เคยออกนอกบ้านแบบนี้หายไปกลางคืนไม่รู้หายไปไหนเนี่ยนะถ้าหากว่ามาเห็นเนี่ยจะดีใจขนาดไหนท่า น, นก็มัวแต่ดีใจกันอยู่นั่นก็ไม่ต้องบรรลุแล้วว่า ง, งั้นพระองค์ก็เลยบันดาลอิทฐาพิสังขารตามที่พระองค์คิดนั่นแหละคื อ, อลูกเห็นพ่อแต่พ่อไม่เห็นลูก ครั้งนั้นเศรษฐีเครืคหา บ, บดีผู้นั้นก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นยศกุลบุตรบ้างไหมพระพุทธเจ้าค่ะเขารู้นะว่าพระพุทธเจ้านะก็รู้ก็ถามพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนเครือหา บ, บดีถ้าอย่างนั้นเชิญท่านนั่งบางทีเนี่ยนะท่านนั่งอยู่ณที่นี้พึงได้เห็นยศกุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้ไม่แน่นะเห็นนะะแลหล น, นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็เห็นแหละเครืหาบดี เศรษฐีก็ร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่าเรานั่งอยู่ณที่นี้แหละจากเห็นยศกุลบุตรผู้นั่งอยู่ณที่นี้นะจริงก็นั่งอยู่ตรงนั้น น, นะเพียงแต่ว่าม่านบังตาไม่เห็นด้วยอิทธาภิสังขารเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อเศรษฐีครหบดีนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงอนุปปภิกถาแสดง เรื่องทานแสดงศีลแสดงอนิสงส์ของทานศีลทําให้เกิดในสวรรค์แสดงถึงความไม่เที่ยงเป็นต้นของรูปเสียงที่เรียกว่ากามเนี่ยนะความเศร้าหมองของวัตถุกามทั้งหลายและของกิเลสกามแสดงอนิสงส์ของการตัดฉันทราคะในกามการออกในกามที่เรียกว่าเนคขมมะด้วยสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าเศรษฐีครหบดีมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรมีจิตเบิกบานมีใจผ่องใส โปร่งก็แสดงพระธรรมเทศนาคืออริยสัจที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจและก็ทุกขานิโรธทั า, ามิณีปฏิปทาอริยสัจโสดาปฏิมัติที่ปราศจากทุลีปราศจากบนทินก็เกิดขึ้นว่ายังกินจิสมุทยะธรรมมังสับพันธังนิโรธธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลรู้ว่าแต่มีความดับไปเป็นธรรมดา ได้เกิดขึ้นเนี่ยนะก็คือโสดาปฏิมักเกิดขึ้นแก่เศรษฐีครห บ, บดีณนะที่นั้นดูดผ้าที่สะอาดปราศจากมนทินควรได้รับน้ำยอมฉะนั้นเนี่ยนะเขาก็ฟังแล้วก็บรรลุโสดาปฏิมักเนี่ยนะบรรลุโสดาปฏิผลเห็นอริยสัจธรรมครั้นเศรษฐีครห บ, บดีผู้มีอริยสัจธรรมอันตนเห็นแล้วบรรลุอริยสัจแล้วได้รู้อริยสัจอย่างแจ่มแจ้งแล้ว มีอริยสัจอันตนอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยในพระตนะไตรในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วปราศจากถ้อยคําที่แสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้มไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระาศสาสระไม่ต้องอาศัยความเชื่อในเรื่องกับผู้อื่นเพราะเด็กเกี่ยวกับอริยสัจในครั้งทุกขสั์สมุทัยสัจนิโรธสัจและมรรคสัจจะไม่ต้องอาศัยคนอื่นมามาคอยบอกคอยแนะไม่ต้อง ก็ได้กราบทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์นี้แจ่มแจ้งนะักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์นี้ไพเราะนะักพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงสแสดงธรรมเนี่ยนะประกาศอริยสัจจะรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคล ง, งายของที่คว่าําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีจักสุจักเห็นรูปดังนี้พระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถึงพระธรรมและขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสารณะจำเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญมากเลยนะฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าน่นะจากจิตที่เศร้ามองมีจิตใจภาวะะวากับ บททั้งหลายเข้าไปเฝ้าไปเฝ้าบัณดิตเข้าไปคบบัณดิตเข้าไปหาบัณดิตแล้วก็เป็นผู้ที่บูชาบัณดิตบัณดิตก็แนะนำสั่งสอนตั้งอยู่ในโอวาทของบัณดิตจิตก็ผ่องใสเมื่อใจผ่องใสบัณฑิตก็เกื้อกูลพระพุทธเจ้าก็ช่วยดึงเขาออกจากนรกเปรตอสุรกายและเดราาัจฉานนำออกจากพบในภพที่8เป็นต้นเนี่ยนะนำออกจาก ความตกต่ํำให้เป็นผู้เข้าถึงสัมมัตตนิยามเข้าถึงอริยมรรตรัสรุอริยสัจโดยถูกต้องไม่ผิดพลาดนะก็เป็นผู้ที่แน่นอนที่จะตรัสรู้อริยสัจ ต, ต่อไปเป็นผู้ที่แน่นอนจะบรรลุอสกธาคามีมรักอานาคามีมรักและอรหัตตมรักพอเห็นอริยสัจท่านก็เข้าถึงโลกุตระธรรมโดยโลกุตระสรณคม เพราะว่าโลกุตระสรณคมแท้จริงนั้นต้องมีนิพานเป็นอารมณ์จึงจะเป็นโลกุตระสรณคมพอหลังจากนั้นท่านก็แปลงวาจาด้วยโลกิยาสนะคมเนี่ยนะด้วยศรัทธาและสัมมาทิฏฐิว่าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะก็คือเป็นผู้ที่มีใจไม่ห่างจากพระรัตนตรัยแล้วก็ ไม่มีการนับถือาศาสดาอื่นอีกแล้วนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเศรษฐีผู้ครหาบดีนั้นก็เป็นอุบาสกกล่าวอ้างพระรนะัตนไตรเป็นคนแรกในโลกพราะนั้นใครที่ถึงสระคนแรกก่อนก็บอกว่าอุบาสกคนนี้แหละอันนี้พูดแบบมนุษย์นะนะมนุษย์ที่ถึงสระนาคมก็คืออุบาสกคนนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะตับุสะกับพระลิกาก็ถึง พระพุทธเจ้ากับพระธรรมเท่านั้นเองเป็นสารณะพอบิดาของย่าศักดิ์กุลบุตรก็ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเนี่ยนะถึงแก้วอันประเสริฐ3าประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ไปในเบื้องหน้านะเป็นผู้ที่มอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระรัตน์ไตรไปเนี่ยในที่สุดพระรัตน์ไตรก็เรียกว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเมื่อท่านถึงพระรัตน์ไตรด้วยศรัทธาเป็นต้นด้วยมัก เป็นตนต้ท่านก็พ้นจากวัตถุทุกโดยประการตั้งปวงคราวเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมแก่บิดาของยสะกุลบุตรจิตของยัสะกุลบุตรผู้พิจารณาภูมิธรรมะตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้เศรษฐีฟังแต่ยสะก็พิจารณาตามธรรมะตามแนวที่ตัวเองได้ตรัสรู้เนี่ยนะ ก็พิจารณาอีกก็ทําโสดะสกะทาคามีมักให้เกิดเจริญอนาคามีมักให้เกิดทําอรหัตตมักให้เกิดขึ้นในที่สุดก็บรรุเป็นพระอรหันเนี่ยนะหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะทิฐาสวะและอวิชชาสวะโดยประการทั้งปวงครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงพระดํำริว่าเมื่อแสดงธรรมแก่บิดาของยะสะกุลบุตรอยู่จิตของยะสักุลบุตร ผู้พิจารณาเห็นภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นคือการบรรลุธรรมเนี่ยนะบนรรลุหรือไม่บรรลุก็ดูที่สัมมาทิฏฐิเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหอกเป็นหัวหน้าเป็นประธานมันสัมมาทิฐิหรือปัญญาที่พิจารณาเนี่ยน ะ, ะขั้นแรกตอนฟังธรรมครั้งแรกปัญญาพิจารณาเห็นอริยสัจเป็นพระโสดาบันเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอีกก็มีการพิจารณาอริยสัจอีก ที่จรณ า, าจนได้บรรลุพระสกะเป็นพระสกะทาคามีบรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ปัญญาที่อบรมบ่มเต็มที่บริบูรณ์ระดับอรหัตตมัตจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งกา ม, มาสวะภวาสวะทิฏฐสวะอวิชชาสวะอีกต่อไปนี่นะก็เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นเพราะไม่ถือมั่นว่ารูปเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตา เพราะไม่มีการถือมั่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากอุปาทานขันห้าโดยประการทั้งปวงก็ไม่มีไม่มีความคาดหวังเลยว่าขันห้าจะเที่ยงพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นคนที่ไม่มีการคาดหวังอีกต่อไปว่าขันห้าจะเที่ยงจะไม่มีการคาดหวังเลยว่าขันห้าจะสุข จะไม่มีการคาดหวังหรือเข้าใจผิดคาดเคลื่อนว่าขันห้าจะเป็นอัตตาเพันขันเหล่าใดที่จะเป็นที่ตั้งแห่งตันหามานะทิฏฐิของท่านไม่มีพราะท่านก็รู้ว่าเป็นผู้หลุดพ้นจากอาสวะหรืออย่างที่ได้เรียนในสัชกาตปรธรรมว่ากำลังของพระขีณาสพเจ็ดประการก็คือท่านเห็นความไม่เที่ยงของขันห้า เห็นสมุทัยคือความเพลิดเพลินในขันห้าเหมือนกับหลุมฐานเพลิงและจิตของท่านน้อมไปในวิเวกอุปธิวิเวกสงบสงัดจากอุปาทานขันห้าเป็นผู้ที่มีสติปัฏฐานอันดํารงมั่นเนี่ยนะสติปัฏฐานก็เจริญดีแล้วอิทิบาทอินทรีย์พละโพชงองค์มัชเป็นต้นก็เจริญดีแล้วมันก็ปฏิยานได้ว่าเป็นผู้ผู้เป็นผ้าหัน์เพราะว่าไม่มีอุปาทานขันเหล่าใดจะเป็นที่ตั้งแห่ง ฉั้นราคาอีกต่อไปและคุณธรรมเหล่าใดที่ควรเจริญท่านก็เจริญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ธรรมะเหล่าใดที่ควรรู้ควรเห็นควรทราบควรเข้าถึงควรทําให้แจ้งท่านก็ได้ทําให้แจ้งในธรรมะเหล่านั้นอันผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ควรจะกลับไปเป็นครหอขัดบริโภคกามเหมือนครหอขัดในครั้งก่อนเนี่ยนะยังไงก็ไม่กลับบ้านลนะไม่กลับบ้านแบบลักษณะไปครองเรือนตามเดิมไม่มีเพราะเป็นพระอรหันต์ พระ อ, องค์ก็เลยปรารบว่าถ้ากระไรเราพึงคลายอิทธาพิสังขาร น, นั้นได้แล้วเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็คลายอิทธาพิสังขาร น, นั้นเศรษฐีผู้ครึหาบดีได้เห็นย ะ, ะกุลบุตรนั้นก็ได้พูดกับยศะะกุลบุตรว่าพ่อย ะ, ะมารดาของเจ้าเศร้าโศกคร่ำครวญถึงเจ้าเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิดแสดงว่าขู่สามีเอาไว้ตอนนั้น บอกท่านคือหาบดีท่านต้องหาให้พบนะถ้าหาไม่พบเนี่ยถ้าหาลูกไม่พบฉันตายแน่เนี่ยนะแสดงว่าครูสา ม, มีไว้อย่างนี้นะท่านก็เลยพอมาถึงก็บอกลูกกับลูกแม่ของเจ้าเนี่ยเศร้าโศกไหมโศกกะเกิดจากอะไรก็เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยนะการพลัดพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเนี่ย เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกมันไม่มีขันเหล่าใดไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่าใดที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโศกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตรอกสำหรับบุคคลผู้กำหนัดและลุ่มหลงอยู่ในขันห้ายิ่งกำหนัดในขันใดมากเพลิดเพลินในขันเหล่าใดมากขันเหล่านั้นก็จะเป็นที่ตั้งแห่งโศกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตมากหรือขันเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งความคาดหวังสูง ขันเหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกสูงเนี่ยนะก็เศร้าโศกบนเพอพิไรรำพันอยู่นั่นแหละก็บอกว่ารู้นะว่าอะไรนะเหมือนพนนางสมุทชาเนี่ยนะมารดาของภูริทัตตะก็บอกก็รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดความแก่ตายเป็นธรรมดาแต่เจ้าจงรู้ไว้เถอะลูกถ้าหากว่าไม่พบภูริทัตตะชีวิตแม่จะตายเป็นแน่เหมือนกันนั่นก็บอกว่าบางคนที่รักลูกรักมากขนาดนั้นเนี่ยนะ ไม่เคยมีลูกไม่รู้ว่ามันรักขนาดไหนไม่เข้าใจแต่ก็รู้ว่าเขารักมากกันแล้วกันมันก็เลยบอกว่าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเธอเน่ยนะครั้งนั้นยศะะกุลบุตรก็ได้ช âm เลืองดูพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสแกเศรษฐีเครือหา บ, บดีว่าดูก่อนเครืหา บ, บดีท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงนะย ะ, ะกุลบุตรนี้ได้เห็นธรรมะด้วยยาณทัศนะเพียงเสขภูมิเหมือนท่าน เมื่อพิจารณาภูมิธรรมะตามที่ได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นดูก่อนเครือหาบดียศกุลบรควรหรือเพื่อจะกลับไปเป็นเครือหัสบริโภคกรรมเหมือนครือหัดครั้งก่อนตอนแรกนะท่านก็ฟังทำบรรลุเหมือนท่านนี่แหละพอแสดงอีกท่านก็พิจารณาบรรลุระดับสูงเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วเป็นพระเสขะแล้วนี่นะ สมควรไหม่้ากลับไปอยู่บ้านตามเดิมคือพรบาดีก็กราบทูลว่าข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าถ้าเป็นพระทหารเนี่แล้วก็ไม่สมควรจะต้องกลับไปครองเรือนอะไร น, นะเพราะว่าท่านเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วเนี่ยนะท่านจะไม่คิดเป็นอื่นเนี่ยนะเพราะว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่ า, าศาสนาเหล่านี้เนี่ยเป็นาศาสนาพี่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นพี่เพิกถอนแห่ง การตัดฉั้นราคะเมื่อบุคคลที่ตัดฉั้นราคาในอุปาทานขันห้าได้เด็ดขาดแล้วเนี่ยไอการที่จะไปมีความสุขความเพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงเปลี่ยนรถมันก็ไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะก็เหมือนกับบุคคลที่มีใจเหี่ยวแห้งจากจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณและจะไปให้ไปมีความสุขอยู่กับรูปมันก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้ก็ไม่สมควรพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสรับรองว่าดูก่อนเครือหาบดียา่าสะกุลบดได้เห็นทำด้วยญานทัศนะ เพียงเสขปภูมิเหมือนท่านเมื่อพิจารณาภูมิธรรมะตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นดูก่อนเครือข บ, บดียศกุลบุตรไม่ควรจะกลับไปเป็นครหัดบริโภคการมเหมือนเครือัทั้งหลายในครั้งก่อนอ น, นะก็น่าคิดนะว่าจิตพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่น คำว่าไม่ถือมั่นเนี่ยนะแปลว่าไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยไปทุกเรื่องอะไรไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นคำว่าหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นก็คือไม่ถือว่าเที่ยงถือว่าสุขถือว่างามถือว่ายั่งยืนนั้นการถือด้วยอํานาจตันหามานะทิ่ทีไม่มีสําหรับพระารหันอีกต่อไปเนี่ยนะเพราะว่าพระารหันทั้งหลายก็คือผู้ที่เห็นขันห้าตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั้นจึง ไม่ยึดถือว่าขันเหล่าใดจะเป็นที่ว่าเที่ยงไม่มีเลยแม้แต่หน่อยหนึ่งที่ขันจะเที่ยงไม่มีแม้แต่หน่อยหนึ่งที่ขันจะสุกแท้จริงไม่มีขันไม่มีธรรมะแม้หน่อยหนึ่งที่จะเป็นอัตตาเนี่ยนะท่านท่านไม่ถือด้วยว่าเที่ยงว่าสุกว่าเป็นอัตตา<ว><น>เพราะท่านดำรงมัม่นอยู่ด้วยกายานุปั <mant> สนาสติปทานเวทานุปัสนาสติปทานจิตานุปัสนาสติปทานและ ทำมานุปัสนาสติปฐานดํารงอยู่ด้วยสติปฐานสติปฐานอันใดอันนั้นก็เป็นสัมมาสติสัมมาสติอันใดก็เกิดร่วมกับอริยมรรคพันก็ตรัสรู้พระนิพพานเป็นที่ถอนอะไรเป็นที่เพิกถอนตัดอะไรอาวรในอุปาทานขันห้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์